สัมพิทาวิพังหนึ่งสุตันตะภาชนี 1. สังคหะวาระปฏิสัมพิทาสี่คือ 1. อัตถะปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในอัปสองธรรมปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในธรรม 3. นิรุตติปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในนิรุตติ 4. ปฏิภาณะปฏิสัมพิทา ปัญญาแตกฉานในปฏิพานความรู้ในอาจชื่อว่าอาถปฏิสัมพิทาความรู้ในธรรมชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทาความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุตินั้นชื่อว่านิรุติปฏิสัมพิทาความรู้ในยานทั้งหลายชื่อว่าปฏิพาณะปฏิสัมพิทานี้ชื่อว่าสังคาวาระ 2. สัจจวาระปฏิสัมพิทาสี่คือ หอัฏฐปฏิสัมพิทาสองธรรมปฏิสัมพิทาสนิรุตติปฏิสัมพิทาสปฏิภาณปฏิสัมพิทาความรู้ในทุกชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาความรู้ในทุกขสมุทัยชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทาความรู้ในทุกขานิโรชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาความรู้ในทุกขานิโรธา ค, ารโรคาม่นีปฏิปทาชื่อว่า ธรรมปฏิสัมพทาความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุตินั้นชื่อว่านิรุติปฏิสัมพทาความรู้ในญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิพาณปฏิสัมพทานี้ชื่อว่าสัจจวาระ 3. เหตุวา ร, ะ ป, า 4, า ร, ระปฏิสัมพทาสี่คือ 1. อัตถปฏิสัมพทาสองธรรมปฏิสัมพทาสนิรุติปฏิสัมพทา สปฏิภาณะปฏิสัมพิทาความรู้ในเหตุชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทาความรู้ในผลของเหตุชื่อว่าอัตตปฏิสัมพิทาความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุตตินั้นชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทาความรู้ในญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมพิทานี้ชื่อว่าเหตุวาระสธรรมวาระ ปฏิสัมพิทาสี่คือหนึ่งอัฏฐปฏิสัมพิทาสองธรรมะปฏิสัมพิทาสามนิรุตติปฏิสัมพิทาสี่ปฏิพานปฏิสัมพิาทาธรรมเหล่าใดเกิดแล้วมีแล้วเกิดพร้อมแล้วบังเกิดแล้วบังเกิดเฉพาะแล้วปรากฏแล้วความรู้ในธรรมเหล่านี้ชื่อว่าอัฏปฏิสัมพิทา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 ปฏิเจสมุ ป, ปาทวา ร, ะ ป, าออาปาระปฏิสัมพิทาสี่คือหนึ่งอัฏฐปฏิสัมพิทาสองธรรมปฏิสัมพิทาสนิโรติปฏิสัมพิทาสี่ปฏิพาณปฏิสัมพิทาความรู้ในชรามรณะชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาความรู้ในเหตุเกิดแห่งชรามรณะชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทาความรู้ในความดับแห่งชรามรณะชื่อว่า อัตถะปฏิสัมพิทาความรู้ในปฏิปทาที่เป็นเหตุให้ถึงความดับแห่งจรามรณะชื่อว่าธรรมะปฏิสัมพิทาความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุตินั้นชื่อว่านิรุติปฏิสัมพิทาความรู้นิยาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณะปฏิสัมพิท า, า, าปฏิสัมพิทาสี่คือหนึ่งอัตถะปฏิสัมพิทาสองธรรมะปฏิสัมพิทา สามนิรุตติปฏิสัมพิทาสปฏิภาณปฏิสัมพิทา ck, campo, ความร mm hmm. ู้ในชาติความรู้ในภพความรู saben, ้ในอุปาทานความรู้ในตัณหาความรู้ในเวทนาความรู้ในผัสสะความรู้ในสลายตระนความรู้ในนามรูปความรู้ในวิญญาณความรู้ในสังขารทั้งหลายชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทา ความรู้ในเหตุเกิดแห่งสังขารชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทาความรู้ในความดับแห่งสังขารชื่อ <Times> ว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาความรู้ในปฏิปทาที่เป็นเหตุให้ถึงความดับแห่งสังขารชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทาความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุตินั้นชื่อว่านิรุติปฏิสัมพิทาความรู้ในญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมพิทานี้ชื่อว่า ปฏิจจสมุปาทวาระ 6. ปริยติวาระปฏิสัมพิทาสี่คือหนึ่งอัฏฐปฏิสัมพิทาสองธรรมปฏิสัมพิทาสามนิโรติปฏิสัมพิทาสปฏิภาณปฏิสัมพิทาบรรดาปฏิสัมพิทาสี่เหล่านั้นธรรมปฏิสัมพิทาเป็นไนพิสุในธรรมวิ น, นัยนี้รู้ธรรมคือสุตตะเคยยะ เวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาดกภูตธรรมเวทันละนี้เรียกว่าธรรมปฏิสัมพิทาภิกษุนั้นรู้แต่ฌานอาจแห่งภาสิตนั้นนั้นว่านี้เป็นอาจแห่งพาสิตนี้นี้เป็นอาจแห่งพาสิตนี้นี้เรียกว่าอาจปฏิสัมพิทาความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุตินั้นชื่อว่านิรุติปฏิสัมพิทา ความรู้ในญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมพิทานี้ชื่อว่าปริยติวาระสุตันตภาชนีจบสองอภิธรรมภาชนีหนึ่งอุศละวาระ ปฏิสัมพิทาสี่คือหนึ่งอัฏฐปฏิสัมพิทาสองธรรมปฏิสัมพิทาสนิรุติปฏิสัมพิทาสปฏิพานะปฏิสัมพิท า, ภ า, ส, าสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนัยจิตที่เป็นกลามาวจรซึ่งเป็นกุศลสหระรคตรด้วยสมนัสัมำยุทธ์ด้วยญาณมีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยใด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 บุคคลรู้ยานเหล่านั้นได้เพราะยานใดว่ายานเหล่านี้สองเนื้อความนี้ความรู้ในยานทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมพิท า, า, าปฏิสัมพิทาสี่คือหนึ่งอัฏฐปฏิสัมพิทาสองธรรมปฏิสมัมพิทาสานิรุตติปฏิสัมพิทาสปฏิภาณปฏิสัมพิทาสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไน จิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลสหอระโคด้วยสมนัติสำปรยุทธ์ด้วยญาณเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหอระโคด้วยสมนัตวิประยุทธ์จากญาณสหอระโคด้วยสมนัตวิประยุทธ์จากญาณเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยอุเบกขาสำปรยุทธ์ด้วยญาณสหอระโคด้วยอุเบกขาสำปรยุทธ์ด้วยญาณเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูง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 จำแนกปฏิสัมพิทาสี่โดยรูปราวจรกุศ ล, ล, ลจิตปฏิสัมพิทาสี่คือ 1. อัตถปฏิสัมพิทา 2. ธรรมปฏิสัมพิทาสนิรุติปฏิสัมพิทาสปฏิภาณปฏิสัมพิทาสภาวะธรรมที่เป็นกุศ ล, ลเป็นไนโยคาวจรบุคคลเจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปภพ สงัดจากรามบรรลุปฐมชานที่มีปัทวีคสินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษอาอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลความรู้ในสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทาความรู้ในวิบากแห่งสภาวธรรมเหล่านั้นชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาการบัญญัติสภาวธรรมเหล่านั้นมีได้เพราะนิรุตติใด ความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุตินั้นชื่อว่านิรุติปฏิสัมพิทาบุคคลรู้ยานเหล่านั้นได้เพราะยานใดว่ายานเหล่านี้ส่องเนื้อความนี้ความรู้ในยานทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณ ะ, ะปฏิสัมพิทาจำแนกปฏิสัมพิทาสี่โดยอรูปาวจรกุศลจิตปฏิสัมพิทาสี่คือหนึ่งอัฏฐปฏิสัมพิทาสองธรรมปฏิสัมพิทา สมนิรุตติปฏิสัมพิทาสปฏิพาณปฏิสัมพิทาสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนหนโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงอรูปภพเพราะกลาวล่วงอากินจัญญายานะได้โดยประการทั้งปวงบรรลุจจตุถชฌานที่สหรคตรด้วยเนวสัญญานาสัญญายนานะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุข์ละทุกข์ได้อยู่ในสมัยใด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 บุคคลรู้ยานเหล่านั้นได้เพราะยานใดว่ายานเหล่านี้สองเนื้อความนี้ความรู้ในยานทั้งหลายชื่อว่าปฏิพาณปฏิสัมพิทาจำแนปฏิสัมพิทาสี่โดยโลกุตระกุศลจิตปฏิสัมพิทาสี่คือ 1. อัฏฐปฏิสัมพิทาสองธรรมปฏิสัมพิทาสนิรุติปฏิสัมพิทาสปฏิพาณปฏิสัมพิทา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 ยานเหล่านี้สองเนื้อความนี้ความรู้ในยานทั้งหลายชื่อว่าปฏิพานปฏิสัมพิทาสองอากุศลวาระจำแนกปฏิสัมพิทาสี่โดยอากุศลจิตปฏิสัมพิทาสี่คือ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 สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอกูศลความรู้ในสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทาความรู้ในวิปากแห่งสภาวะธรรมเหล่านั้นชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาการบัญญัติสภาวะธรรมเหล่านั้นมีได้เพราะนิรุตติใดความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุตตินั้นชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทาบุคคลรู้ยานเหล่านั้นได้เพราะยานใดว่า ยานเหล่านี้สองเนื้อความนี้ความรู้ในยานทั้งหลายชื่อว่าปฏิพาณปฏิสัมพิท า, า, าปฏิสัมพิทาสี่คือหนึ่งอัตถปฏิสัมพิทาสองธรรมปฏิสัมพิทาสนิรุตติปฏิสัมพิทาสปฏิพาณปฏิสัมพิทาสภาวะธรรมที่เป็นอคุสลเป็นฉนัยจิต ท, ที่เป็นอกุสนสหรโคด้วยสมนัตสัมปยุดด้วยทิฏฐ เกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรโคด้วยโสมนัสวิปยุจจากทิฏฐิสหารโคด้วยโสมนัสวิปยุจจากทิฏฐิเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหารโคด้วยอุเบคาสัมปยุจด้วยทิฏฐิสหารโคด้วยอุเบคาสัมปยุจด้วยทิฏฐิเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรโคด้วยอุเบขาวิปยุจจากทิฏฐิสหารโคด้วยอุเบขาวิปยุจจากทิฏฐิ เกิดขึ um. Um. ้นโดยมีเหตุชักจ like ูงสหรคตด้วยโทมานตสสมปยุดด้วยปฏิฆะสหรคตด้วยโทมนัสสมปยุดด้วยปฏิฆะเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรอโคด้วยอุเบขาสัมปยุดด้วยวิจิกิจชาสหรคตด้วยอุเบขาสัมปยุดด้วยอุทจจะมีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยใดในสมัยนั้น ภาษาอวิเคปาก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอกุศลความรู้ในสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทาความรู้ในวิบากแห่งสภาวะธรรมเหล่านั้นชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาการบรรจัิสภาวะธรรมเหล่านั้นมีได้เพราะนิรุตติใดความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุตตินั้นชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทา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 ภัษะเวทนาสัญญาเจตนาจิตอุเบกขาเอกคตามนินสีอุเบขเกะ ข, ะเบขินสีและชีวิตินรีก็เกิดขึ้นหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปแม่อื่นซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นมีอยู่ในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัยยากฤิตความรู้ในสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าอัถปฏิสัมพิทา การบัญญัติสภาวะธรรมเหล่านั้นมีได้เพราะนิรุตติใดความรู้เนการกล่าวธรรมนิรุตตินั้นชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทาบุคคลรู้ญาณเหล่านั้นได้เพราะญาณใดว่าญาณเหล่านี้สองเนื้อความนี้ความรู้ในญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมพิท า, า, าปฏิสัมพิทาสาคือหนึ่งอัฏฐปฏิสัมพิทาสองนิรุตติปฏิสัมพิทา สาปฏิภาณะปฏิสัมภิทาสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิปเป็นไฉนโะสตวิญญาณที่เป็นวิบากส o r โคตด้วยอุเบกขามีเสียงเป็นอารมณ์เกิดขึ้นขานวิญญาณที่เป็นวิบากส o รโคตด้วยอุเบกขามีกลิ่นเป็นอารมณ์เกิดขึ้นชิวห า, าวิญญาณที่เป็นวิบากส o รโคตด้วยอุเบกขามีรสเป็นอารมณ์เกิดขึ้นกายวิญญาณที่เป็นวิบาก ตอหโคดด้วยสุขมีโผฏฐาพเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะได้ทำได้สั่งสมการมารรจกุศลกรรมไว้ในสมัยใดในสมัยนั้นภัษะเวทนาสัญญาเจตนาจิตสุขเอกคตามนินสีสุขหินสีและชีวิตินสีก็เกิดขึ้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปแม้อื่นซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นมีอยู่ในสมัยนั้น สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอภยกฤตความรู้ในสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาการบัญญัติสภาวะธรรมเหล่านั้นมีได้เพราะนิรุตติใดความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุตตินั้นชื่อว่านิรุติปฏิสัมพิทาบุคคลรู้ญาณเหล่านั้นได้เพราะญาณใดว่าญาณเหล่านี้สองเนื้อความนี้ความรู้ในญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมพิทา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 สปฏิภาณปฏิสัมพิทาสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤตเป็นไฉนมนโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากสหโรคต ด, ด้วยสมนัตมีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารภอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นเพราะได้ทำได้สั่งสมพราโมาจรปุสลกรรมไว้ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิตกวิจารณ์ปิติสุข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 นิรุตติปฏิสัมพิทาบุคคลรู้ญาณเหล่านั้นได้เพระญาณใดว่าญาณเหล่านี้ส่องเนื้อความนี้ความรู้นิยานทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมพิท า, า, าปฏิสัมพิทาสคือหนึ่งอัฏฐปฏิสัมพิทาสองนิรุตติปฏิสัมพิทาสปฏิภาณปฏิสัมพิทาสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤตเป็นไฉนะมนโนวิญ ญ, ญาณธาตุที่เป็นวิบาก สหรูปด้อุเบขามีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นเพราะได้ทำได้สั่งสมกรมอวจรกุศลกรรมไว้ในสมัยใดในสมัยนั้นภัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิตกวิจารอุเบขาเอกคตามนะณีสีอุเบขินสีและชีวิตินทรียก็เกิดขึ้น หรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปแม้อื่นซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นมีอยู่ในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอภยกริตความรู้ในสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาการบัญยัตสภาวะธรรมเหล่านั้นมีได้เพราะนิรุติใดความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุตินั้นชื่อว่านิรุติปฏิสัมพิทาบุคคลรู้ญาณเหล่านั้นได้เพราะญาณใดว่า ยานเหล่านี้ส่งเนื้อความนี้ความรู้ในยานทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณะปฏิสัมพิทาจำแนกปฏิสัมพิทาสามโดยการมวจรวิปากจิตปฏิสัมพิทาสามคือ หอัฏฐปฏิสัมพิทาสองนิรุตติปฏิสัมพิทาสปฏิภาณปฏิสัมพิทาสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤตเป็นไฉนมโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากสหรคตด้วยสมนัติสำปรยุทธ์ด้วยญาณสหรคตด้วยสมนัติสำปรยุทธ์ด้วยญาณเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยสมนัตวิปยุทธ์จากญาณสหรคตด้วยสมนัติ วิปยุจจากยานเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรโคด้วยอุเบกขาสัมปยุจด้วยยานสหรคตด้วยอุเบกขาสัมปยุจด้วยยานเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรโคด้วยอุเบกขาวิปยุจจากยานสหรโคด้วยอุเบกขาวิปยุจจากยานมีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารคอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นเพราะได้ทำได้สั่งสมกามอวจรกุศลกรรม โดยมีเหตุชักจูงในสมัยใดในสมัยนั้นภาษอาอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอพยากฤิความรู้ในสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าอาฏฐปฏิสัมพิทาการบัญญัติสภาวธรรมเหล่านั้นมีได้ด้วยนิรุตติใดความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุตตินั้นชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทาบุคคลรู้ญาณเหล่านั้นได้เพราะญาณใดว่า ญาณเหล่านี้สองเนื้อความนี้ความรู้นิยานทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมพิท า, า, า, าปฏิสัมพิทาสคือหนึ่งอัฏปฏิสัมพิทาสองนิรุตติปฏิสัมพิทาสปฏิภาณปฏิสัมพิทาสภาวะธรรมที่เป็นอพยกฤตเป็นฉไฉนโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปภพสงัดจากกาม บรรลุปฐมฌานที่มีปัทวีคสินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัสสะอวิเเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสังัตจากกรรมบรรลุปฐมฌานที่มีปัทวีคสินเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้สั่งสมรูปาวจรกุศลกรรมนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัสสะอวิเเคปะก็เกิดขึ้น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 จำแนปฏิสัมพิทาสโดยอรูปราวจรวิปากจิตปฏิสัมพิทาสามคือหนึ่งอัฏฐปิสัมพิทาสองนิรุตติปฏิสัมพิทาสปฏิภาณปฏิสัมพิทาสภาวธรรมที่เป็นอพยกฤิเป็นไฉนโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงอรูปภพเพราะก้าวล่วงอากินจัญญายัตนะได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุจตุทชาน ที่สหอรโครด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนาสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะลาสุขและทุกข์ได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้เชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลเพราะได้ทำได้สั่งสมอรูปาวจรกุศ ล, ลกรรมนั้นนั่นแหละเพราะก้าวล่วงอากินจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุเจตุทชาน ที่สหรกดด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัสสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤตความรู้ในสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมภิทาการบัญญัติสภาวธรรมเหล่านั้นมีได้เพราะนิรุตติใดความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุตตินั้นชื่อว่า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 สภาวะธรรมที่เป็นอพยากฤตเป็นไฉนยโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุข์ให้ถึงมิพานเพื่อละทิฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะพวิเเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล โยขาวจรบุคคลสังดจากกลามบรรลุปฐมฌานที่เป็นสุญตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญโลกุตระกุโสรกรรมนั้นเล่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอพยากฤตความรู้ในสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าอัฏปฏิสัมภิทา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 อัฏฐปฏิสัมพิทาสองรุติปฏิสัมพิทาสาปฏิภาณะปฏิสัมพิทาสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิเป็นไฉนจักขวิญญาณที่เป็นวิบากสหรโคดูอุเบกขามีรูปเป็นอารมณ์เกิดขึ้นโสตวิญญาณที่เป็นวิบากสหรโคดูอุเบกขามีเสียงเป็นอารมณ์เกิดขึ้นฆานาวิญญาณที่เป็นวิบากสหรโคดูอุเบกขา มีกลื่นเป็นอารมณ์เกิดขึ้นชิวหาวิญญาณที่เป็นวิบากสหาะหอรคดูเบกขามีรถเป็นอารมณ์เกิดขึ้นกายวิญญาณที่เป็นวิบากสหอโรคด้วยทุกขมีผลทพพาเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะได้ทำได้สังสมอกุศลกรรมไว้ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะเวทนาสัญญาเจตนาจิตทุกเอกคตามนินสีทุกขินสี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 บุคคลรู้ยานเหล่านั้นได้เพราะยานใดว่ายานเหล่านี้ส่งเนื้อความนี้ความรู้นิยานทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมพิท า, า, าปฏิสัมพิทาสามคือหนึ่งอัฏฐปฏิสัมพิทาสองนิรุตติปฏิสัมพิทาสปฏิภาณปฏิสัมพิทาสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤตเป็นชนมโนท่าที่เป็นวิบากสหรฆด้วยอุเบกขา มีรูปเป็นอารมณ์หรือมีผลภาพเป็นอารมณ์เกิดขึ้นมนโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากสหรคคโดเบขามีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารภอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นเพราะได้ทำได้สั่งสมอกุศลกรรมไว้ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิตกวิจาร์อเบขาเอเกคตามนิงสี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 จำแนปฏิสัมพิทาสโดยอเหตุถุกระคิริยาจิตปฏิสัมพิทาสามคือหนึ่งอัฏฐปิสัมพิทาสองนิโรติปฏิสัมพิทาสปฏิภาณาปิสัมพิท า, ส, า, ภ า, ส, าสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตเป็นไฉนมโนุธาที่เป็นกริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากแห่งกรรมสหรคตโอเบคามีรูปเป็นอารมณ์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 ความรู้ในสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าอัฏฐธปฏิสัมพิทาการบัญญัติสภาวธรรมเหล่านั้นมีได้เพราะนิรุติใดความรู้ในี่การกล่าวธรรมนิรุตินั้นชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทาบุคคลรู้ญาณเหล่านั้นได้เพราะญาณใดว่าญาณเหล่านี้สองเนื้อความนี้ความรู้ในญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิพาณปฏิสัมพิทาปฏิสัมพิทาสามคือ หอัฏฐปฏิสัมพิทาสองนิรุติปฏิสัมพิทาสปฏิภาณปฏิสัมพิทาสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิเป็นไฉนมโนวิญญาณธาติเป็นกริยาไม่เป็นขุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิปากแห่งตำสะโหรคตด้วยสมนัตมีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นมโนวิญญาณธาติที่เป็นกริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศล และไม่เป็นวิปากแข่งกรรมมีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิตตกวิจารโอเบขาเอกคตาวิริณสีสมาธินสีมนินสีโอเบขินสีและชีวิตินรีข้อเกิดขึ้นหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปแม้อื่น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 ความรู้นิยานทั้งหลายชื่อว่าปฏิพาณปฏิสัมพิทาจำแนกปฏิสัมพิทาสามโดยกิริยาจิตปฏิสัมพิทาสาคือหนึ่งอัตถะปฏิสัมพิทาสองนิงรรติปฏิสัมพิาออทาสปฏิพาณปฏิสัมพิท า, ส, า, ภ า, ส, าสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิเป็นจะไหนมนโนวิญ ญ, ญาณธาตุที่เป็นกริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากแข่งกรรม สหสสรูป ด, ด้วย Bonus. สมณัต ส, ส, สัมปยุทธ์ด้วยย well. านยาสหรคปด้วยสมณัตสัมปยุทธ์ด้วยยานเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคปด้วยสมณัตวิปยุทธ์จากยานสหรคปด้วยสมณัตวิปยุทธ์จากยานเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคปด้วยอุเบกขาสัมปยุทธ์ด้วยยานสหรคปด้วยอุเบขาสัมปยุทธ์ด้วยยานเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูง สหรูปคดูอเบกขาวิปยุจจากยานสรคดอเบกขาวิปยุจจากยานเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงโยคาวจรบุคคลเจริญรูปาวจรฌานเจริญอรูปาวจรฌานที่เป็นคุริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิปากแห่งกรรมเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพราะก้าวล่วงอาคินจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุจตุสฌาน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 ปฏิสัมพิธาสามเกิดขึ้นในจิตุบาทที่สัมพยุ ด, ด้วยยานสี่ฝ่ายกลามาวจรกุศลเกิดขึ้นในจิตุบาทที่สัมพยุ ด, ด้วยยานสี่ฝ่ายกริยาอัทธปฏิสัมพิธาเกิดขึ้นในจิตุบาทเหล่านี้และเกิดขึ้นในมัคสีผลสีอภิธรรมมพาชนีจบ